ขอนอบน้อมได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระเทราุเทละเพืสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญธรรมจงมีได้ญาติยอม ท, ทุกท่านานัง่งตามสบาย หลายรูปหลายท่านอาท่ขึ้นมาบนธรรมะแล้วก็ชี้แนะแนวทางวิธีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ข้อคิดเรื่องอื่นๆเป็นองค์ประกอบในการฟังเพื่อให้เพื่อกระตุ้นเตือนให้เราได้มีความ รู้ความเข้าใจเรื่องราวในพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมหรือการพูดให้สู่กันฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างศรัทธาให้โยบนั้นได้ มีการประพฤติปฏิบัติที่เราจะได้ยินได้ฟังมากถ้าหากว่าเราไม่ลงมือปฏิบัติการได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นเพียงวัตถุดิบอที่ยังไม่ได้ถูกถัลุงหรือถูกปรุงถูกย่อยเหมือนกับข้าวถ้ายังเป็นข้าวเปลือกอยู่เนี่ยเราก็ยังรับประทานไม่ได้ ต้องนำไปเข้าโรงสีต้องนำไปหุงต้มให้สุกแล้วเราจึงรับประทานได้เช่นเดียวกับการที่เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจจากพระคุณเจ้าที่ได้มาชี้แนะแนวทางข้าวเปลือกขึ้นเราได้รับข้อมูลต่างๆ ดูทำความเข้าใจการสีก็หมายที่ได้นําเอาข้าวเปลือกนั้นได้ไปเอาข้อคิดหรือสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นนําไปพินิษพิจารณาในการนยึดในฝั่งนั้นพอนําไปพินิษพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะได้นําไปปฏิบัติก็คือการหุงการต้น ให้เกิดสุขขึ้นมาแล้วก็รับประทานได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นร่องที่จะทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นเพียงแต่เราได้ยินว่าสติเป็นสิ่งที่มีคุณค่า <c oughs> เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา เป็นสิ่งที่จะกั้นกระแสความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทงความคิดถ้าเราได้ฟังแค่นี้ถ้าเรายังไม่ทำให้สตินั้นเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังได้นำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไม่ได้ถ้าเราจรึงต้องฝึกฝึกให้มีความรู้สึกจริงๆให้ปรากฏให้เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราจริงๆ นั่นแหละมันจึงจะเป็นประโยชน์เป็นธรรมะขึ้นมาเพราะธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสภาวธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำเอามาแจกจ่ายหรือนำมาให้กันไม่ได้มันเป็นปัจจดตังรู้ได้เฉพาะผู้ที่กระทำแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เกิดความรู้สึกรู้เห็นชัดขึ้นมา นี่เป็นการว่าได้สภาวะหรือได้ความเป็นขึ้นมาในกายในใจของเราเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทาั้งสร้างธรรมะตัวนี้ปรากฏเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วมันพึ่งได้โยมพึ่งได้สงบสติและสงบจิตสงบใจของเราได้รู้เท่าทันตัวเองได้ดว่ามันหยุดพฤติกรรมของจิตเราให้เป็นปกติได้ ตรงนี้เองความสำนึกลรกความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นเจริญขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้ชีวิตของเราเน้นมันเย็นเป็นชีวิตที่เย็นไม่กระสับกระสายไม่เล่าร้อนไม่ทุกข์มันเป็นชีวิตที่เย็นเย็นตรงที่ว่ารู้ทันมัน รู้ทันขบวนการของความคิดของความรู้สึกอี่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติทำเนี่ยเราจะสังเกต ด, ดูว่าเราใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันเนี่ยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รู้ได้เข้าใจเะทั้งที่ความคิดก็เกิดขึ้นโดยต่อเนื่อง เกิดขึ้นบ่อยๆทุกขณะแต่เราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวที่จะไปอย่างรู้กับหมดรู้เนี่ยความคิดก็ลากจยงเราไปลากไปเรื่อยแต่วันทั้งวันมีแต่ความคิดแต่ความนึกมีแต่อารมณ์ที่ลงที่แต่งหาความสมบระงับในชีวิตนั้นไม่มีเอเป็นอย่างนี้จิตใจเราก็มีแต่อารมณ์ที่ เข้ามาปรุงมาแต่งถ้าปรุงแต่งเรื่องดีหน่อย mm hmm. ก็ทำให้ความรู้สึกของ จ, จิตใจนั้น mm hmm. มันดีขึ้น mm hmm. เ, พเพลิดเพลินหรือมีความปิติในเรื่องราวต่างๆหรือในจิงต่างๆที่ได้รับเข้ามา mm hmm. บางครั้งในใจเราเนี่ยมันนึกคิดในอารมณ์ที <c oughs> ่ไม่ดี หมายถึงาอารมณ์ที่เน่าบูดอารมณ์ที่เสียมันแล้วคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเศร้าสลดขดหูกทำให้จิตใจหม่นมองทำให้ใจไม่สบายเยมื่อเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็หาทางออกไม่ได้เมื่อไปไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่หนึ่งจิตใจเราก็เป็นทุกข์ เมื่อ ใ, ใจเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่มีวิธีที่จะปล่อยที่จะวางที่จะละอารมณ์เหล่านั้น แ, แล้วเราก็ปล่อยให้มันเกิดแก่เจ็ดแล้วก็ตายไปตามอายุขยของความคิดของอารมณ์ <c oughs> แล้วมันก็พอกพูนการที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งห่งความรู้สึกในกจิตใจเราเนี่ย ถ้าเราไม่กำหมดรู้หรือไม่รู้ทัาานแล้วเนี่ยมาเป็นการสร้างสมเป็นการสะสมการคิดครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเข้าไปกำหมดรู้เนี่ยความคิดนั้นก็พ่อพูนนิสยัยพ่อพูนความเคยชินพ่อพูนมากขึ้นแล้วมันก็เกิดบ่อยเมื่อมันเกิดบ่อยก็ทุกข์บ่อย การที่เราฝึกสติหรือเจริญความรู้สึกให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยก็เท่ากับ ว, ว่าเราไปรู้เท่าทันเวลาที่ใจเราปรุงแต่งหรือเวลาที่คิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสติจะเข้าจะเข้าไปรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ไปสงบระงับหรือหยุด <c oughs> พฤติกรรมเหล่านั้นดยมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันแล้วมันก็ดับลงการเห็นข้างหนึ่ง การรู้เท่าทันขณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นการตัดรอนทำให้มันสั้นทำให้มันไม่มีพลังเป็นการตัดเพราะนั้นการที่จะเราจะรู้ทันกิเลสรู้รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีความเพียรแล้วก็มีความพยายามแล้วก็อดทน ความเพียรควาพยายามควาอดทนเนี่ยมันเป็นตบะบักเป็นตบะบักเป็นทำที่แผดเผาทำที่แผดเผาเผ า, ากิเลสให้เล่าร้อนเผากิเลสให้มันไหมเมื่อกิเลสมันถูกเผาถูกไหมแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยเบาบางไปเพราะนั้นสติปัญญาที่จะได้เนี่ย ก็เกิดขึ้นจากการที่รู้เท่ารู้ทันนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมก็ดีด้วยการที่เรามาสร้างจังหวะนี้ก็ดีถือว่าเป็นการปลุกเป็นการปลุกเป็นการเขยา่าหรือเป็นการกระทำให้ความรู้สึกตัวนี้มันตื่นตัวขึ้นมามันตื่นตัวรู้ตัวขึ้นมา ไม่ไปหลั บ, บไหลอยู่กับการปรุงการแต่งเพราะนั้นการได้ปลูก <c oughs> ได้ทำให้ตื่นได้ทำให้รู้เนี่ยไม่กับการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิหรือมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะขึ้นมาในจิตในใจของเราเมื่อในมเมล็ดพันธุ์คือความรู้สึกโจอเนี่ย โตขึ้นในกายในใจเราแล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ถ้าหากว่าเราพยายามนะมั่นดูแลรักษาก็จะค่อยเจริญเติบโตะขึ้นนะแต่กิ่งก้านสาขามีใบดกนะมีมเมล็ดมีผลแล้วก็สามารถที่จะพึ้นพิงหรือ อยู่ใต้ร่มเงาเนี่ยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวที่เราได้เจริญที่เราได้ทํากันอยู่เพราะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนท้าเราใส่ความรู้สึกไปทุกๆขณะทําความรู้สึกตัวเนี่ยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยๆก็ถือว่าเราได้ ดูแลรักษาหรือทำให้งอกงามให้เจริญขึ้นแล้วการเจริญสติหรือการเจริญกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ให้เรานั้นได้มีความรู้สึกตัวเนี่ยรู้เท่าทันคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่โกรธความโกรธมันจะไม่เกิดขึ้นได้เพราะมันมีช่องว่างที่จะเกิดขึ้น พรมันเต็มด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกตัวความโลภ ค, ความอยากในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติปัญญามันรู้เท่ารู้ทันพอความอยากอันป่าเจากสติคือป่าทจากปัญญาเนี่ยมันทําให้ทุกข์ความหลงความเผลอความประมาท มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนนั้นมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าในขณะใดที่เรามีสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตใจเราก็เป็นปกติจิตใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายอะไรเกิดขึ้นก็รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยได้หวานได้ตรงนี้เองที่เรียกว่า สำให้จิตใจเราไม่เศ้ามองเพราะนั้นครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อที่ท่านได้ขึ้นมาให้ข้อเค็ดเนี่ยก็พูดเรื่องเดียวกัน <c oughs> พูดเรื่องเดียวกันทั้งหมด <c oughs> ทึงแม้ว่าลีลาการพูด <c oughs> การแสดงออกมันจะแตกต่างไปบ้างแต่ก็เนื้อหาสาระ ก็อยู่ในลักษณะสิ่งเดียวกันพูดเพ่ที่จะให้เรานั้นได้เจริญความรู้สึกทางความรู้สึกเนี่ยให้มากานั่นเองเพราะการปฏิบัติทำแล้วเราจะไม่ได้อยู่อย่างนี้อย่างที่เราอยู่กันเนี่ยเราจะต้องออกไปทำกิจหน้าที่ทำการทำงานต้องเกี่ยวข้องกับสังคมกับบุคคลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทอนการที่เรามาอยู่วัดเจ็ดวันก็เพื่อที่จะมาทำความเข้าใจกับหลักการปฏิบัติมาฝึกซ้อมหรือมาเรียนรู้เหมือนกับการที่เด็กนักเรียนเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาเข้าไปอยู่ในโรงเรียน เขาก็ไมาด้เรียนตลอดชีวิตในอยู่ที่ในวัยเรียนเนี่ยเขาก็ศึกษาเรียนรู้หนังสือตลอดถึงหลักวิชาการต่างๆเมื่อเขาเรียนจบแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็เอาวิชาความรู้นั่นแะ <c oughs> ไปประกอบอาชีพ <c oughs> ไปทำงานบริหารประเทศชาติบ้านเมือง หรือทำภาระหน้าที่ต่างๆเพราะนั้นเราก็เช่นเดียวกันการที่เราเข้ามาสู่วัดวาอารามเข้ามาถูตสานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนพุทธเจ้าหลักการปฏิบัติเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตนำไป ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเรารู้เราเข้าใจก็นำไปใช้ได้พฤติกรรมบรรใดที่มันทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความไม่สบายเกิดการขัดแยง้งเราก็มีการสารวมมีการระมัดระวังพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวาจาก็ดีคำพูดก็ดี เราเป็นพฤติกรรมทางกายที่แสดงออกหรือท่ า, อาทีที่เราแสดงออกถ้าเรามีสติคอยรู้อยู่เสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวศีลเป็นองศีลเป็นการประพฤติที่เป็นปกติทางกายทางวาจารูจ้จักงดเว้นพฤติกรรมที่เป็นโทษ แล้วก็แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เป็นคุณในสิ่งที่ดีมันก็เป็นศีลทันคาว่าศีลเนี่ย <c oughs> ก็คืออยู่ในตัวเราทั้งหมดก็คือพฤติกรรมที่เราแสดงออกนั่นเองผู้ที่มีศีลย่อมมีความสมบงบ้ะครับย่อมเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นปกติมีความเรียบร้อย <c oughs> ไม่เป็นโทษไม่เป็นไทยแก่ผู้อื่น อยู่ที่ไหนก็มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์มีแต่สร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ น, น, นี่เลยว่าเป็นศีลถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมด้วยลักษณะที่นำสติเนี่ยไปเพื่อที่จะทำให้กายวาจาเป็นปกติมันก็เป็นศีลของเราอยู่ด้วยศีล สีเลนะสุขติงยันติก็มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมสีเลนโพกบับสัมปทาทรัพสมบ <c oughs> ที่หามาได้ <c oughs> ก็จะไม่เสียไปสื่อไปด้วยอบายามุกต่างๆสีเลนะพุติยันติตัดสมาสีหลังมีโสเทเยความสงบใจความเย็นใจก็จะเกิดขึ้น มันเนื่องมาจากที่เราได้ฝึกฝนอบรมสติคำว่า ส, สตินี้ต้องมาลึกรู้ทำที่เป็นกุศลและก็อกุศลทำที่เป็นกุศลก็หมายถึงการพูดในทางที่ดีหรือพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ดีตลอดถึงความนึกคิดในเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็เป็นใสในการกุศลระลึกรู้อยู่เสมอ ในสายใดที่เป็นโทษสติก็จะต้องนำไปใช้รละลึกรู้ว่าความคิดอย่างนี้เป็นโทษ <c oughs> ความคิดอย่างนี้ทําให้เกิดทุกข์ความคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อความสร้างอัตตาตัวตนที่ยิ่งใหญ่ด้วยความหลงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็รู้จักเพราะั้สตินี้ต้องนาไปใช้นำไปใช้ รละลึกรู้อยู่เสมอในการพูดในการทำในการคิดต่างๆถ้าคนเราเอาสติไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติอั่นี้แล้วเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องเมื่คิดทางใจก็ถูกต้องความถูกต้องนี้แล้วว่าเป็นเป็นธรรมเป็นสมาธิธ พูดไม่ผิดทำไม่ผิดคิดไม่ผิดเป็นธรรมะพันธรรมะก็คือตัวการกระทานั่นเองตัวคำพูดนั่นเองตัวความคิดนั่นเองเป็นธรรมะพูดดีทำดีคิดดีมันก็เป็นธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมหากว่าสติของเราเนี่ยมันพร่องสติไม่ดี ละลึกรู้ไม่เท่าทันต่อพฤติกรรมที่แสดงออกพอเริ่มความคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเข้าไปรู้เท่ารู้ทันความคิดไม่รู้จักมองความคิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นกุศลอกุศลเนี่ยจะมีแต่เราจะเข้าไปหลงเชื่อความคิดตัวเองที่มันเกิดขึ้นก็ไปยึดมั่นถือมั่น ทำให้การพูดการทํานั้นเป็นไปในฝ่ายอกุศลได้เพรฉะนั้นการชําระบาปการละบาปเนี่ยมันต้องละให้ถึงใจอย่าไปเพียงข่มตัวเองในลักษณะภายนอกเพราะต้นตอของบาปบุญคุณโทษทั้งหมดสุขทุกข์ทั้งหมดดีชั่วทั้งหมดมันมาจากใจมาจากความคิดมาจากการตรุงแต่ง เพราะนั้นสติที่เราฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะทำหน้าที่ระลึกรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกั่นกรองนะอันไหนมันเป็นส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปในส่วนที่ดีเป็นการสร้างสรรค์ทำประโยชน์ทำคุณแก่โลกแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์แก่สัประสรรษษัต์ก็เอาสิ่งนั้นมากับประพฤติมากระทามันก็เป็นประโยชน์ เพราะฉะถ้าเรามีสติแล้วก็คือผู้ที่รู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไร <c oughs> คิดอะไรพูดอะไร <c oughs> ก็เป็นการฝึกตัวเองให้ดำเนินชีวิตที่มันถูกต้องเป็นเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความรู้สึกตัวด้วยการรู้เท่ารู้ทันอยู่เสมอเพราะความทุกข์ ข, ของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้น ในชีวิตประจวันเนียมันเรื่องมาจากเราไม่รู้ทันนั่นเองรู้ไม่ทันตัวเองรู้ไม่ทันจิตใจที่มันนึกมันคิดดังนั้นการที่เรามาเดินจงกรมทำความรู้สึกในการเดินตลอดถึงการยืนการนั่งการนอนแม้แต่กำหนดอียวบที่ละเอียดเราก้มเราเงยเราคู่เราเหยียดเราเคลื่อนเราไหว เหลียวซ้ายแล้วฟ้ากับพิกตาอาปากถ้าเรามากำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกๆขณะเนี่ยมันเป็นการบ่งสติปัญญาหรือเป็นการเจริญสติปัญญาหรือเป็นการสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้น เมื่อจิตได้ถูกฝึกฝนให้มีสติระลึกรู้อยู่กับกายอย่างนี้เนืองๆ เ, เป็นปกติจิตนี้ก็สตินี้ก็จะทําหน้าที่ระลึกรู้ไปสู่สภาวะข้องนามมาทำเองจะรู้ทันความคิดความปรุงความแต่งของจิตของใจเมื่อรู้ทันแล้วมันสงบเองไม่ต้องไปหาเรียกร้องหาควาสมสงบสงบอันนี้มันสงบด้วยสติด้วยปัญญา ไม่ใช่เป็นการไปสงบด้วยการกดข่มอันนี้ต้องเข้าใจเป็นการสงบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการรู้ทำท่า น, นหลวงพ่อเทียนเน่ยท่านจึงได้แยกความสงบท่านมีอยู่สองลักษณะสองอย่างสงบอย่างผู้รู้อย่างหนึ่งแล้วสงบอย่างไม่รู้อย่างหนึ่งสงบอย่างผู้รู้หมายถึงผู้มีสติอยู่ทุกเมื่ออยู่ทุกขณะ จนจิตไม่ถูกปรุงถูกแต่งด้วยอารมณ์ต่างๆมีการกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยแล้วเนี่ยสติมันเต็มเปลี่ยนมันรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความทุกข์มันรู้จักและมันก็ไม่ปล่อยจิตให้ไปอยู่ในกระแสรหรือกระบวนการหนึ่งทุกข์อันนั้น มารู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์แยกจิตออกจากเรื่องราวต่างๆไม่ไปหลงในสมมติบัญญัติไม่ไปหลงในอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมา <c oughs> แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะจิโมทหาค่ะว่าเราได้สึกจางนี้หลเป็นปกติชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสงบสงบอย่างผู้รู้เดินอยู่ มันก็มีความสงบทําการทํางานอยู่จิตใจมันก็สงบแม้แต่จะพูดจะคุยอยู่มันก็เป็นความสงบมันสงบจากกิเลสสงบจากกองทุกข์สงบจากบาปสงบจากสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือความสงบที่เกิดขึ้นจากที่เราได้อบรมจิตไว้ดีแล้วฝึกจิตดีแล้วจิตมันเป็นจิตที่เชื่องเป็นจิตที่บอกได้เตือนได้ หยุดได้เย็นได้สมบัิอีกแบบหนึ่งคือสมบัแบบไม่รู้หมายถึงการที่เราสงบด้วยสมถะสงบด้วยอุบายการเข้าสมาธิสงบด้วยสมาธิเข้าสมาธิไปแล้วก็จิตเกิดความสงบระงับขึ้นมาแต่ยังไม่เกิดปัญญาแต่อันนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอยู่เป็นพื้นฐานในเบื้องตน้น แต่สมบอันนี้ก็เป็นที่พึ่งได้ระดับหนึ่งทำให้จิตใจมันหยุดชั่วครู่ชั่วคราวทำายจึงเปรียบเป็นน้ำแข็งสมบุกแบบน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยเวลาที่เข้าไปอยู่ในที่เขาอัดเขาทำหรืออยู่ในตู้เย็นมันก็จะไม่ละลายมันก็อยู่ของมันได้เป็นก้อนมันอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเอาออกมาไว้กลางแจ้ง ถูกแสงแดดถูกความร้อนถูกลมพัดน้ำแข็งก็สลายออกไปได้นะเป็นของไม่จิตลังยั่งยืนยังหมดไปไดนะ้สิ้นไปได้ทีนี้ถามว่าเป็นความสงบตั้งที่ได้กล่าวมาสงบด้วยการรู้เท่ารู้ทันนะรู้เท่ารู้ทันอยู่เสมอเนี่ยจิตมันมีการ ตรงการแต่งอารมณ์อะไขึ้นมารู้ทันทุกขณะท่านเคยพูดว่าคิดปุ๊บรู้ปับ๊บคิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยเป็นคําพูดที่ว่าเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสลดกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเมื่อมันมีการกระทบมีการผัดสะแล้วเนี่ยจิตมันรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นเนี่ย ในขณะนั้นเนี่ยสติมันเข้าไปรู้ทันว่าคิดอะไรคิดความคิดนั้นประกอบด้วยโลภไหมประกอบด้วยโทสะไหมประกอบด้วยโมหะด้วยความหลงในวยความโมเมาด้วยความจิดมั่นถือมั่นหรือไม่มันรู้มันรู้ทันของมันนั่นหมายถึงว่ามันได้ทําหน้าที่ในการรู้แล้วมการปฏิบัติธรรมมันจริงไม่มีอะไรมากคําพูดแม้จะมี คำพูดที่มากมายแต่ว่าตัวการจุดปฏิบัติจริงๆแล้วก็คือมีสติมีความรู้สึกตัวมีเพียงแค่นั้นเองถ้าคนเราเข้าใจจุดนี้แล้วนี่มันก็ปฏิบัติเข้าใจง่ายก็จะอยู่ที่สติอยู่ที่ความรู้สึกตัวอยู่ที่ ก, การรู้เท่ารู้ทังเห็นเห็นกายเห็นจิตเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเห็นตามความเป็นจริง ถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่ตั้งของความยึดถือให้เกิดทุกข์ไม่เป็นที่ตั้งให้อุปาทานหรือมันไม่เป็นพพฤติใจให้เกิดชาติผนการปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เราจะละตัวตนละอั ต, ตาละความยึดถือเนี่ยมันต้องเข้าใจมันต้องเห็นมันต้องรู้เพราะว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจ การเห็นอ น, นิจจังก็ไม่จะเห็นอะไรอื่นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงของความนึกความคิดต่างๆเห็นสภาพเหล่านี้นะี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรที่จะเราจะต้องไปยึดให้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราไม่เห็นมันเมื่อเราไม่เห็นเราก็เข้าไปยึด ไปถือด้วยความไม่รู้สึกได้โมหะแล้วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นการเลือกความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตใ น, ในใจของเราผนการที่เรายึดมั่นในขันธ์ห้าอบัมายึดมั่นในความคิดยึดมั่นในกายอันนี้แหละ ในอุปาทานเขา อ, อุปาทานหมายถึงการเข้าไปยึดถือยึดมั่นด้นความหลงแล้วมันก็เป็นอุปาทานขึ้นมาเขา อ, อุปาทานคือการเข้าไปยึดติดโดยที่ไม่ปล่อยเพราะนั้นเมื่อเราจเจริญสติเข้าไปจเจริญปัญญาเข้าไปรู้เท่ารู้ทันบ่อยๆเห็นอนิจจ